ขอความเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทลาไแต่ลมพระโพธิญาณกำลังเสนอพุทธคุณบทวัพุ ท, ธพทธโธในความหมายที่ว่าทรงจัดสรุปอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยไม่มีใครได้บอกกล่าวพระองค์อริยสัจสี่ที่ทรงจัดสรุนั้นเป็นการจัดสรุ้โดยพยายามสาม พยาแรกก็เรียกว่าสัจ ญ, ญาณคือรู้สถานะของอริยสัตว์แต่ละข้อชัดเจนว่าอะไรเป็นอะไรคือรู้ว่านี่คือทุกนี่คือเหตุเกิดแห่งทุกนี่คือความรดับทุกนี่คือข้อปฏิบัติถึงซึ่งความรดับทุกแล้วก็วันก่อนก็มาพูดถึงกิจยานคือกิจที่ควรทําในอริยสัตว์รู้ว่าทุกนั้นควรกําหนดรู้ไว้เฉยๆคือทําใจยอมรับในแง่ของคติธรรมดา แล้วก็สมุทัยนั้นก็ต้องละต้องลดต้องละต้องบรรเทาต้องดับก็แล้วแต่คืออย่าลืมพวกนี้ที่จริงเป็นกิเลสทั้งปวงนั่นแหละเป็นกิเลสทั้งปวงที่จริงถ้าดูให้ดีเจตนวโลกอดหลงนั่นแหละแล้วก็นิโรธเนี่ยมันเป็นเป้าหมายซึ่งจะต้องมุ่งมั่นเข้าไปสัมผัส สัมผัสได้ลึกซึ้งขนาดไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็ต้องพยายามนจะสัมผัสให้ได้แล้วก็มาร์กนั้นคือข้อที่เราจะต้องลงมือ ป, ปฏิบัติเพราะมาร์กจริงๆมันมีลักษณะเหมือนอาหารเหมือนกระยาคือเรากินอาหารเข้าไปอย่างเดียวนะให้ลองสังเกตว่าอาหารมันทําหน้าที่ให้สี่อย่างเลยคือหนึ่งขจัดความหิวเก่า 2องป้องกันความหิวใหม่สามทำให้ร่างกายเรามีกําลังมีเรี่ยวแรงแล้วก็ปฏิบัติภารากิจการงานอะไ ร, ต, รต่างๆได้อีกเยอะแยะนะฮะตามมาอีกเป็นแถวเลยเพราะาเราจเจริญมั่งอย่างเดียวคือกินข้าวอย่างเดียวแต่ข้าวที่เรากินเนี่ยมันจะทำหน้าที่ต่อพวกวิบากท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงกระบวนกา ร, รกิเลสกรรมวิบากนะวิบากเนี่ยก็จะอยู่นานนะ ก็อยู่นานเช่นเราเรียนหนังสือปับ๊บเรารู้ปุ๊บเนี่ยนะตัวความรู้เนี่ยตัวเรียนเนี่ยเป็นกรรมตัวรู้เนี่ยเป็นผลของกรรมแล้วเราก็เป็นเจ้าของความรู้คือวิบากเป็นเจ้าของผลคือเจ้าของวิบากตัวนั้นแล้วมันอยู่กับเราอะมันอยู่กับเราตลอดไปก็แล้วแต่ว่าเราสร้างเหตุแห่งทุกข์หรือสุขเขาก็จะเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือสุขให้แกเราตลอดไป ดังนั้นการศึกษามากเกือการปฏิบัติตามอริยมรัคเนี่ยแต่ละข้อเราย่อยออกมาเราก็เอื้อประโยชน์สังคมเราเนี่ยถ้าเดินอริยมรักสักสักข้อนะฮะสมาธิทิฏฐิเนี่ยสมาธิทิฏฐิระดับธรรมดาไม่ต้องสมาธิทิฏฐิระดับลึกซึ้งอะไรก็เรียกว่าโลกิยะสมาธิทิฏฐิเนี่ยสังคมก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะคําเดียวนะฮะ เ่ว่าทำให้ได้ระดับโลกิยะสมาธิเทตานั้นยานประการเราไปเรียกว่ากัตยานคือรู้ว่าได้ทำแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดผุดขึ้นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในธรรมจกักรตอนต้น น, นนะครับว่าอันีมักคเป็นองค์แปดประการที่พระองค์ได้ทรงทำให้บังเกิดขึ้นเนี่ย พอก็เป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นจักขคุคือตาปัญญาขึ้นมาแล้วเป็นญาณก็อผุดขึ้นไปในใจพวกนี้ตาในทางนั้นเนี่ยนะก็กิเลสมันสงบอุปสมายากิเลสมันสงบแล้วพิญญายาความรู้มันก็สูงขึ้นสูงขึ้นจนถึงจุดหนึ่งก็จัดสรุปจัดสรุป ด, ดับกิเลสหมดเป็นนิพพานอะอยากเป็นนิพพานเะนี่ยนั่นก็คือสิ่งที่รับสั่งเล่า เล่าสถานาภาพของพระองค์สภาพพระไตรของพระองค์ในขณะที่กำลังตรัจรู้เนี่ยก็หมายความว่าทุกข์ที่ควรกำหนดรู้ส่งกำหนดรู้แหละสมมติไทยที่ควรละได้ละแล้วในโรดที่ควรทำให้แจ้งในทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรจเจริญได้จเจริญแล้วปัญหาสําคัญก็คืออยู่ที่จะเข้าสู่ใต้ร่มพระโพธิญาณเนี่ยจะทํำยังไง ในกรณีของอริยสัจ ท, ทั้งสี่ถ้าเรามองให้ภาษาร่วมสมัยกันหน่อยทุ ก, ก็คือสภาพของปัญหาสมุทัยก็คือสาเหตุหรือที่มาของปัญหานิโรธก็คือสภาพที่ปราศจากปัญหาคือไม่มีปัญหามรรคก็คือหลักการวิธีการเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีนะฮะเป็นตัวหลักการวิธีการถ้าเป็นเรื่องโรคก็คือยา ถ้าเป็นอาหารถ้าถ้าเป็นการกินข้าวก็คืออาหารนะฮะหมายความว่าเราต้องลงมือกระทําแล้วเวลาลงมือประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติข้อเดียวนะฮะคือข้อเฉพาะอริยมรรคนี่แหละอริยมรรคพอรวมขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นที่เราส่งใช้ก็ว่าจะขุยานปัญญาวิชาแสงสว่างเนี่ยแต่การเข้าสู่ใต้ร่มโพระพระธิญาณระดับหนึ่งเนี่ย คือทำยังไงว่ามองเห็นโทษของกิเลส ท, ที่มันแรงแรงแรงรุนแรงได้เกิไไดในเวลานี้คืออย่างนึกว่าเอ๊ะคนเราก็ศึกษาเราเรียนอะไรกันเนี้ยทำไมมันแรงกันจริงบ้านใกล้เรือนเคียงกันจอดรถขับรถเฉียวกันนิดเดียวยิงกันตายอ่ะมันก่อนได้มีข่าวแล้วก็ดูเด็กเขาถ่ายภาพบ้านช่องห้องหอก็ใหญ่โตนะฮะมีรถราอย่างดีคนหนึ่งมีรถตู้คนหนึ่งมีรถโฟก ยิงกันได้รดรดวอลนั่นะฮะยิงกันตายเจ้าของวอลนั่วไปยิงเขาตายคือนี่แสดงให้เห็นแต่ว่าอาการก้อตันหาเนี่ยมันแรงอันนี้วิภาวะตัณหานะฮะก็คือโทสะนั่นเองแล้วก็มันออกแรงเกินไปคนเรายังไงยังไงกิเลสเนี่ยถ้าเรามองเขาอีกทีหนึ่งกันนะฮะคือคือมองรวมดีกว่า มองรวมเราก็เกาะกลุ่มคือว่ากิเลสประเภทโลภะเนี่ยเาจะพูดสองคำถ้าพู้เจ้าสอนพระเนี่ยจะพูดเรื่องราคะคือจะเน้นไปเรื่องเพศเพราะพระนั้นแยกแยกเรื่องเพศมาเด็ดขาดเลยนะชาวบ้านเนี่ยจะพูดเรื่องโลภะคือจะเน้นที่ตุโลภะเพราะว่าเขามีครอบครัวเขาไม่มีปัญหาเรื่องเพศแต่เขามีปัญหาเรื่องอยากได้อยากได้อยากมีอยากเป็น แล้วก็โลภะโทสะโมหะนี่จะเหมือนกันเพราะถ้าเราเรียนจริงๆเราเรียนว่าราคะโลภะโทสะโมหะแล้วจะเห็นเป็นภาพของสังคมเป็นภาพรวมนะสังคมเนี่ยว่าราคะก็คือหลักการครองเรือนเนี่ยทำยังไงว่าผู้ครองเรือนเนี่ยราคะ ย, ย้ายจัดเกินไปแต่ทีนี้ถ้าจัดทั้งคู่ล่ะก็ไม่ได้แปลกอะไรชงแสดงว่าเป็นยักษ์กับยักษ์ทีอยู่ด้วยกัน มันก็เป็นความสุขแบบยักษ์อารมณ์อาจจะสาดิสไปหน่อยนะฮะแต่ว่าก็เป็นความสุขแบบยักษ์ความสุขอีกแบบหนึ่งแล้วทีนี้ถ้าหากว่าราคามันจัดคนเดียวนะคนใดคนหนึ่งราคาจัดจะมีปัญหาเรื่องชู้สาวจะมีปัญหาเรื่องนอกใจกันแล้วในที่สุดก็จะอยู่ร่วมกันด้วยความลําบากคือฝ่ายหนึ่งไม่สามารถตอบสนองความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งได้ แล้วเมื่อไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องไปหาเศรษฐาเลยข้างนอกแล้วในสุดก็จบลงที่บ้านแตกชีวิตการครองเรือนในแนวนี้ส่งเรียกยักษินีอยู่ร่วมกับเทพบระบรุหรือว่าเทพธิดาอยู่ร่วมกับยักษ์หมายความว่าไอฝ่ายยักษ์ไอยักษ์ขินีในราคาก็จะไม่สงบ อีกประเภทหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าเทพบุตรอยู่ร่วมกับเ ท, ทติดาหมายความว่าไม่ได้เน้นที่ตัวราคาให้เราสังเกตว่าเขาเรียกเกหะเซตะเปมาความรักแบบครอบครัวความรักความสิเนหาในฐานะเป็นครอบเป็นครัวปลูกพันธุ์สายเลือดยงยหญ่กันอยู่เนี่ยมันจะมีการประณีประนอมมีการผ่อนปลนสูงเพราะว่ายังไงยังไงก็ ก็ร่วมทุกข์ร่สุขกันมานะฮะคู่ทุกข์คู่สุขกันมาแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยมันแก่งองไปเรื่อยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งสามีทั้งพันยานะถ้าเรามองไปที่กามาลาคะคือมุ่งตอบสนองความปรารถนาในทางเพศถึงจุดหนึ่งมันก็ก็เรียกว่าหลงกายลืมแก่ลงกายลืมแกมันก็กลายเป็นสภาพของครอบครัวที่ไม่มีความสุบ ผลลัพการคลองเรือนก็คือว่าในเรื่องเรื่องเพศให้อยู่ร่วมแบบควบคุมความต้องการในทางเพศเอาไว้อย่าให้มากเกินไปเป็นการอยู่ร่วมแบบเทพบุตรอยู่ร่วมกับเทพธิดาทีนี้ในแง่ของโลภะเนี่ยเราจะเห็นว่าโลภะที่จริงก็คือรัฐคือเศรษฐศาสตร์คือเศรษฐกิจนั่นเองแต่ว่าอย่าลืมว่ากิเลสถ้าเราคุมมันได้เนี่ย มันก็ให้โลกิยทรัพย์แกเราเพราะโลภะกิเลสเป็นเป็นกิเลสประเภทสร้างฮะแต่ทีนี้ถ้าโลภมากเกินไปมันไม่มีวัตถุมาตอบสนองได้พอตอบสนองไม่ได้มันก็เกิดการยื้อแย้งและทีเนี้ยเป็นอาดีากรรมแล้วก็ยุง่งเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าโลภะถ้าแรงเกินไปก็กลายเป็นอาดีตกรรมแต่แรงลดลงมานะฮะคือถูกบ้างผิดบ้างถูกบ้างผิดบ้างก็อาจจะเป็นอะไรล่ะ เป็นภาพสังคมในปัจจุบันเนี่ยมีปัญหามาีลักการขาโมยมีอะไรแต่อะไรก็ทําถูกบ้างผิดบ้างอะไรแต่นีน่ปนๆกันอยู่แต่ทีนี้ถ้าความโลภมันลดลงมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเกิดประณีประนอมไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานไม่มีปัญหาเรื่องการบริโภคใช้สอยไม่มีปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องนะนะ หมายความว่าคนจะควบคุมความอยากของตัวเองเอาไว้แล้วไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเราจะเห็นว่าความโลภเนี่ยเราจะอยากได้ชื่อเสียงอยากให้คนรักอยากได้ยศอยากได้พวกแต่เสร็จแล้วมันจะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เราคนนี่เห็นไหมความโลภมันก็กลายมาเป็นคุณระดับโลกียธรรมนะฮะระดับโลกียธรรมก็กลายเป็นคุณในการสร้างสรรค์ในการสร้างสังคมที่อบอุ่นโทสะท่าแรงก็เขียนฆ่าทํำลายล้างกัน จงล่างจงพลังกันจนถึงก็เรียกว่าทําลายกันให้สิ้นซากไปเลยดางความคิดของฮิตเลอร์ที่ทําลายยูเนี่ยคือว่าคิดว่าทําลายสิ้นซากไปเลยก็แสดงว่าคิดแรงพวกนี้ถ้าคุมไม่อยู่มันก็กลายเป็นศึกสงครามนะเป็นการจ่าราชนเป็นก่อบวินาศกรรมอ ะ, ระอะไรต่างๆเข่นฆ่ากันแต่ถ้าเราคุมได้เนี่ยมันลดปัญหาเดกรรมลงไป มันจะมีความอดทนมีการประนีประนอมมีการให้อภัยมีการผลปลกันพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นความฉับไวเด็ดเดี่ยวเชื่อมั่นในตัวเองเพราะเราสังเกตว่าคนที่บริหารราชการแผ่นดินประสบความสําเร็จเนี่นะจะต้องมีลักษณะของโทสะโทสะจริตคือคนโทสะจริตเนี่ยมันจะลืมถ้าท่านที่สนใจธรมรมะกรรมฐานนะโทสะจริตมันคล้ายกับพุทธทจริตคือนิสัยคล้ายกัน ไวยเชื่อมั่นในตัวเองเฉียบขาดเด็ดเดียวแล้วก็ไม่หวั่นไหวมันแหลมคมคนหนึ่งแหลมคมโดยปัญญานะฮะคมหนึ่งที่จริงก็โทสะมันลดความเขมพลนลงไปดังนั้นก็กลายเป็นผู้บริหารการบริหารบ้านเมืองเนี่ยบริหารอะไรก็ตามมันถึงจุดหนึ่งมันต้องต้องยอมเสี่ยงยอมเจ็บปวด ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจกล้าพูดกล้ารับผิดชอบนี่คือปรัศญะโทสะพอโทสะพอถึงจุดหนึ่งมันอ่อนลงไปกว่านั้นมันก็กลายเป็นพักพวกเพื่อผูกกันอะไรแต่ไรเนี่ยก็เป็นเมตานะเป็นอาโทสะคือไม่ประทุษร้ายก็กลายเป็นเมตากันโมหละล่ะ เมื่อเราเห็นว่ามันเป็นความเครียดความงงงายถ้ามากไปกว่าการหนักนะนรับของเราเนี่มีเยอะเลยที่คิดไม่มีเหตุผลยเนี่มีเยอะเลยแล้วมันก็บางทีก็ขำแล้วก็น่าสงสารนะนะอย่างที่วัดเนี่ยมีเด็กเข้ามาขายสลากกินแบง่งเดินผ่านก็ทุกวันนะไปสอนหนังสือเนี่ย บางเขีนบางคนเนี่ยก็เขียนอะไรหกสิบสามล้านกับเจ็ดสิบอะไรล้านเนี่ยนะอันไหนรู้สึกเจ็ดสิบสีล้านอะไรเนี่ยแล้วเคยก็ลองก็เศร้าก็ดูว่าี่หนูถ้ามันเจ็ดสิบสี่ล้านจริงๆเนะี่ยหนูเก็บไวเองดิทําไมเอามาขายทําไมมันแปลกที่ว่าคนเขาเขียนไว้อย่างนั้นแล้วเราก็ซื้อว่าคิดว่าเราจะได้ทานั้นนั่นเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกัน โดยไม่ได้นึกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเขาไม่เอามาขายเราหรอกข า, ขายเราก็ไม่ได้กี่ตังค์แต่ถ้ามันถูกหวยได้รางวัลขนาดนั้นจริงเขาก็เอาไปเขาก็ซื้อเองฮะเขาไปขึ้นเองอ้นนี้คือคือความโลภความโลภมันหลงด้วยนะมันหลงด้วยแล้วโลภด้วยหลงด้วยมันจะไม่ค่อยคิดด้ยเหตุโดยผลแกล้ๆกับพวกเล่นหวยเนี่ยเ็นไหโลภหลงหวยเน่ยมันเท่าไหร่ล่ะ เก้าร้อยเก้าสิบแปดต่อหนึ่งนะผิดนี่เก้าร้อยเก้าสิบแปดประตูถูกหนึ่งประตูแท่นั้นเองยังมีคนเล่นกันไม่หยุดไม่วาดไม่ไหวนี่ก็แสดงให้เห็นอะไรแสดงหเห็นว่าเป็นอาการของโมหะโภพะกับโมหะทีนี้โมหะระดับหนึ่งเนี่ยมันจะแนวค่อนข้างจะงมงายเหมือนกันนะเรื่องบางเรื่องแต่ว่ามันก็ดีขึ้นมาหน่อย เชืว่าอาจจะออกมาในแนวอนุรักษ์จะอนุรักษ์มากไปหน่อยเพราะว่าโมหะพอถึงจุดหนึ่งนะถึงจุดหนึ่งนะง จ, นงนะจุดที่เข้มข้นมันจางลงไปก็คือศิละปะวัฒนธรรมมีจิตสินป์ประนิศศิลป์อะไรต่างๆเนี่ยเป็นอาการของโมหะเราสังเกตพวกอนุรักษ์ทั้งหลายในพวกเล่นอิดเล่นถินทั้งพวกนี้โอ้ยไปขุดแหล่งโบราณวัตถุแล้วก็ประคับประคองนธนุถนอมนั่ง เอาุูนอะไรมาปัดปัดเบาๆอบแปลงมาปัดปัดเบๆเพื่อจะรักษาสิ่งเหล่า น, นั้นเอาไว้ก็ อ, อีกิฐก้อนหินึ่างเดียวนะเห็นไหมว่ามันก็กลายเป็นสังคมสังคมมีสถาบันครอบครัวไม่มีปัญหาเศรษฐกิจอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็การเมืองเนี่ยมีความรวดเร็วฉับไวเชื่อมั่นตัดสินใจตัวเองสูงไม่มีปัญหาสภาพดินพ่อขางหมูคาราคัดสั่ง แล้วก็มีศิละปะวัฒนธรรมที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของความเป็นชาติบ้านเมืองความเป็นมีวัฒนธรรมจนถึงก็เป็นอูอารยธรรมของยุคสมัยเนี่ย แ, แสดงถึงความยิ่งใหญ่ความมีอดีตที่ควรแก่การภาคภูมิใจของคนทั้งหลายมันก็กลายเป็นโลกเป็นสังคมที่ดีดังนั้นไอแนวตัวเนี้ยสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเราคุมเขาให้ได้อย่าให้เขาคุมเราก็แล้วกัน ติวิชาทรงแสดงว่าตัณหาดาสวนาดาโรนี่คนตกเป็นทาสขอตัณหามันยอยู่ในระดับความลําบากเพราะเราก็เป็นนายของตัณหาแต่ว่าจะเป็นการ ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาก็ตามก็พยายามจะเป็นนายของเขาทีนี้นิโรธนี่แปลว่าปราด จ, จากสิ่งเสียดแทงก็เป็นอาการของกิเลสนั่นแหละแต่ว่าเราอย่าลืมว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีปัญญาเข้ากำกับ ปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิมันองค์มรรคกันนะหมายความมีปัญญาเข้ากํา ก, กับก็มองโดยเหตุดยผลมองแยกแยะให้ชัดเจนถึงบาปบุญคุณโทษต่างๆแล้วก็ไม่ปล่อยให้สิ่งนั้นเสียดแทงใจเช่นสมมติว่าเนี่ยความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากเนี่ยตามปกติมันเสียดแทงใจนะเราแก่ก็เสียดแทงใจเราคนเรียกว่าคนแก่ก็กกไม่ค่อยชอบ เราเจ็บแล้วก็เสียดแทงตายก็ยิ่งเสียดแทงญาติพี่น้องตายก็เสียดแทงนะการพลาดพลาด ก, ก็เสียดแทงทีนี้ตรงนี้ถ้าเรายอมทําใจให้เห็นเป็นธรรมดาอาจจะคิดว่าแง่ธรรมดาความแก่ก็ธรรมดาเจ็บก็ธรรมดาตายก็ธรรมดาพ ล, พลาดพลาดก็ธรรมดาหรืออาจจะมองในแงด่ดีก็ดีเหมือนกัน เกิดตานานแล้วก็แก่จะาบาั่งก็ดีกันเจ็บก็มันอย่าตัดใจให้เจ็บมันก็ต้องเจ็บตายไม่ตายวันนี้ก็ตายวันวันหน้ามันก็ตายอยู่แล้วคนที่เราไปเผาเขาเขาก็ไม่มีโอกาสจะเผาเราคนที่เผาเราเราก็ไม่มีโอกาสจะเผาเขาปัญหาว่าเกิดมาแล้วใครตายก่อนเต่นั่นเอง ก็มีตายก่อนตายหลังท่านั้นเองมันไม่มีไม่ตายนี่นะในการพลาดพราดสูญเสียบางอย่างเนี่ยเมื่อเราหาไม่ได้ก็ต้องปลงใจพอหายปั๊บนี่ยอย่าคิดว่ามันจะได้นะมันก็อาจจะไม่ได้่ะคิดะคาสิคาดสิไปอาจจะไม่ได้สะคาดสิ 50, ได้ะาดสิเราได้ก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้ก็ดีเหมือนกันก็หาใหม่เอาต่อไป พยายามปรงใจในอารมณ์ทั้งหลายอย่าไปยึดมั่นกับอะไรมากเกินไปแต่ถ้าไปยึดมั่นอะไรมากเกินไปแล้วมันยุ่งอ่ะมันไม่ต้องอะไรฮะเดี๋ยวนี้แม้แต่เราเดินบนถนนเรานั่งไปในรถเราแม้แต่อยู่ในวัดนะบางทีเนี่ยมันก็ต้องทาใจอ่ะต้องทาใจต้องสงบใจก็ไม่ต้องไปยึดมั่นถรือมั่นอะไรมากเกินไป เพราะอะไรเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามที่บุคคลไปยึดมั่นเนี่ยเอาของเราเข้าไปเกาะเอาเราเข้าไปเกาะเอาตัวตนของเราเข้าไปเกาะแล้วยุ่งทั้งนั้นเลยไม่มีอะไรที่ไม่ยุ่งแต่ว่าถ้ารู้จักปรับมันตํานองคล้ายๆกับการเล่นละครการแสดงละครเนี่ยรู้จักปรับสภาพตัวเองตอนนี้เราก็มีหนะ้าที่เล่นเล่นละครบทนี้ก็เล่นไปเลยก็คือเลิกเลย หมายความว่าเป็นได้เป็นดีแล้วก็เป็นเป็นจบก็คือจบตอนเป็นก็คือเป็นก็รับผิดชอบในแต่ละจุดเพราตรงนี้นิโรธเนี่ยว่าเราอย่าไปคว้ามาให้เป็นปัญหาบางทีก็ทุกข์กันแทบตายฝนต ก, กอีกแข่งหนึ่งไปเดือดร้อนไม่เดือดร้อนอะไรมันคือเดือดร้อนแล้วมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่า มันต้องถามอะไรทำไมเพราะเหตุใดได้ประโยชน์อะไรคือต้องมองไปที่ตัวประโยชน์ได้ได้การไปขวายคว้าการไปพิตกกังวลการไปเดือดร้อนที่เราจะไปสอนเด็กเด็กเข้าไข้อบรมเด็กติดจะ บ, บ้าก็ว่ากันไปตอนอบรมก็ทํากันไปทําเต็มที่เลยแต่ว่ามันอย่าไปคิดว่าเด็กจะหยุดได้ทั้งหมดถ้าอย่างนั้นเราก็เก่งเกินคนไปแล้วนะ เพราะอะไรเพราะจริงๆพระพุทธเจ้าก็ปลดขดไม่ได้ทั้งหมดมือขนาดพระพุทธเจ้ายัางปลดขดไม่ได้หมดนับภาษาอะไรกับเราเราก็ทำท่าที่เราทำได้โดยไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่าต้องได้ต้องมีต้องเป็นเป็นอย่างอื่นไม่ได้อย่างนี้ไม่ไหวหรอกเฝะะ้าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ย ท่านกล่าวไว้ในนาฏธรรมดีๆง่ายๆนะคิดง่ายๆแต่ที่จริงก็นัยยะมันก็ออกมาจากสังกิเตนะปันดุปาัานะคันถาทุกขาดังนั้นแต่ก็บอกว่าสุขทุกข์อยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสายใจไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ลองทําใจตัวเองว่าต้องการสุขหรือต้องการทุกข์เพราะมันการเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายอย่างรู้เท่าทัน รู้เท่ารู้ทันรู้การรู้แก้มีกลิ่นไม่ดีเกิดโชยมาเนี่อันรู้ไม่ใจทันเลยนะมีคนมีทางถนนอะไรแต่อะรที่มันมีแบบมีปัญหาก็รู้เท่าทันแล้วก็ปรับตัวเองอย่าให้เพิ่มปัญหากับสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่แล้วตรงนั้นมันมีปัญหาเราต้องเกี่ยวข้องกับคน ก, บกษัตริย์กับสิ่งตรงนั้นซึ่งมันมีปัญหาแต่ว่าเราอย่าไม่ปีปัญหาเข้า มันก็คล้ายๆกันเนี่ยคล้ายๆกันเราไปบ้านญาติพี่น้องก็ตายพ่อแม่ก็ตายก็ร้องไห้เราเลยไปร้องไห้ด้วยอา้าวก็ไปสร้างปัญหาดิเขามีปัญหาอยู่แล้วไปเพิ่มปัญหาทำไมเราก็ไปปลกปลอบไปชี้แ น, นะไปที่บายหรือเพื่อนทำไม่ได้เราไปทำแทนนะก่อนนี้ก็คือไม่ไปคว้าสิ่งที่มีปัญหาเข้ามาใส่ตัวมันก็ช่วยให้เกิดสัมผัสนิโรธอย่างอ่อนๆนะะ รือปราศจากเครื่องเสียดแทงย อ, อ่อนลงไปได้ระดับหนึ่งซึ่งต้องใช้ความพยายามกระทาอย่างต่อหนึ่งแล้วก็จะเกิดชั้นเท่าสาหะที่จะสัมผัสได้ลึกๆมากต่อมากขึ้นต่อไปต้องฟังทั้งหลายแต่รมประปญญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจะมีทท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่ว ก, กันสวัสดี